อธิบายเรื่องสติสติเป็นของสำคัญอะไรแๆทั้งหมดมารวมที่สติอย่าง เ, เดียวแล้วเผอสติแล้วมันมีสติจิตมันฟุ้งสงสัยแต่ในที่ต่างๆพ ส, สติคุมจิตมาอยู่มันยังเคยฟุงคนที่มีสติแล้ว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 การที่จะหัดสติให้รู้เท่าไ okay. ม่เก็ดของง่ายๆแลว้วพระที่เจ้าทันเทศสนาสอนตัวสติตัวเดียวทมทั้งหลายเทศพระองค์เทศอยู่สี่สิบห้าพรรษามัมไม่คว่ไม่ประมาทคนประมาจะถูกอผูมีสตินั่นเองมีสติรู้เมื่อรู้ตัวทุกเมือ่อ สติชาพระ้าโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับ น, นไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับเลย ค, คือคือไม่รู้ตัวแล้วเพิดเินสนุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่จนกระทั่งลืมลืมอย่างกับดังเท่า ไม่รู้ตัวสติเลยไม่รู้ไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทําไปอย่งั้นเนี่ยทำกิจการงานอะไรต่างๆก็ทําไปตามเรื่องคิดเขรู้จักถูกเารู้จักถูกแก่แต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเถ้าสติรู้สึ ก, ต, ส ก, ต, สก ต, ตัวอยู่นั้น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 อิจมันรวมเข้าไปเป็นผ้าวังให้มันเข้าถึงสมาธิดวงวูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งนั้มคิดความอ่านก็ไม่มีความนึกความนึกก็ไมนมีจะไม่สงสายไปมาไม่มีทั้นั้นคิดก็ไม่ออก หารู้ตัวอยู่ทีเฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นนั่นเป็นบางข้างบางคราวไม่ใช่เป็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึ่เรียกว่าภาวนาเป็ถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมเข้าใจดี ถ้ธมาธรรมะมันออกมาจากมันมดมาจากใจนั่นน่ะคือใจนั่นนะเรียกว่าใจกลางทําให้ใจว่าใจหมายความถึงคว า, เ ป, ควาเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุนไม่สุดดีสุขชั่วไม่ทรงออกนอกไหนอะไรต่างมดเข้าแต่มันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเอง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 เมื่อมีจากหลักมีจากหลักธรรมะนั่นเยื่อเขาถึงหลักสักทีเกิดงานผูคนทั้งหลายนันลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเลยสักทีไดอยู่กับมีได้อยู่กับจิตนี่เนี้ยว่นวายส่งไปมา ท่านก็ามาเปรียกเหมือนกับลมก็เปรียบเหมือนกัวังวนวนอยู่ยนั่นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลย ว, วางวนพระกุองค์จะเทศนาติดตามตาตามหูตามร่างกายใจนี่หละ ว, วนอยู่ที่นี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตาไปหาหูออกจากหูไปหาริางกายใจ เดี๋ยวก็จับของเก่าหรืออาจจะจับกันก็ได้สจับหน้าจับหลังก็ไดาษตาแล้วไปเจมูกไปเลีบไปไกลหนุไปกระดาษโอนวนวิวนวายส่พันทุกอย่างไม่เป็นรถเป็นชาอะไรเลย่นวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันมาเข้าถึงความสงบมันมาเข้าถึงใจมันเข้าถึงขของกลาง ที่พระองค์จะเทศนาวะพราวาพระเวกันเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างๆนั่นแหะเรียกว่าพ บ, พบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับในส่วนจิตมันไปติดจปติดนึง่งจปติดนี้สารภาพทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางเมืม่อเข้าถึงความสแุ้ น้อยพบใหญ่พบน้อยอันนี้นะพบใหญ่นะั้นตายแล้วไปเกิดเดี่ยวพบใหญ่ในสตินั้นนะั้นเกิดดับเกิดดับเดี่นั้นตลอดเวลาคืไ อ, ไ, อ ไ, ไปยึดหนียนะ้ยังมาท่นอะไรไปยึดหนนแล้วเมื่อไ่านเมื่อท่านรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงนี้ยวกิแล้วแวบมป แ, แวบอย่างนั้นโย่พบน้อย เพรงยเลยยึดจริงๆนะจังพรแตกเพอดับมันก็จะเกิดที่ยึดนั่นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันจังเล็กดีๆบางแอบบางแบบมีรักมีเจณอะเลยคิดนึกต้องใายคิดนอนคิดนี้อยู่ตลอดเวล คิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นวางครั้งบางครับแต่อันส่วนตีย้อยลเล็กแลน้อยนั้นมันเยอะจะนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีละต่างถ้ายัางไม่ทันรู้จักความเสื่อมความสิ้น ของสังขารร่างกายตราบใดแล่วน้อยทีวันทีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสือ่อมความสิ้นของสังขารร่างกายคือพี่น ย, ยังความเสือ่อมความสิ้คนความดับไปสมของกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทาความเพียรแปว่าไม่ประมาทมันหาทําคุณงามควมดี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 ซือศาสนามานมนานจะปูยาตาทั่วถึงแม้ไม่เขาวัดบางทาใไม่ต้องรักไม่เขาวัดบางทาใหต้อ ง, ง, ง, งเ็พก็ตามเถิดต้องมีนิสัยจิตตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชั่วทำดีรีบเร็งทำคนงามคนดีรีบอย่างนั้นในเวลานี้เราทุกคน ไปหาสายงามสมดีติดตั้งสติให้มัน่นรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษามปทางชั่วลงไหลไปทางชั่วเพียงแต่รักษาสติสนี้แหละไม่ต้องละไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำบุญทําทานอะไรเลยห มีสติทุกเมื่อตอนนี้แหละเป็นพอแล้วอันควรดีเราจะต้องทํานั้นตรงนี้อหะมักขาดสติตรงเดียวตัวเดียวตัวนี้แหละมันหากเองตัวเองของเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นมันออกไปจากนี้วิธีรักษาจิตของเราคือตั้งสติกำหนดจิตเท่านี้แต่ไม่อื่นไกลอะไรหรอกรั้งที่เราฟังนี้แล้ว ถ้าหากจะคิดสรุปรวมมาพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนาที่สิบห้าปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปสั่งที่ที่ไหนก็นเอาถอเขาจะเทศน์ไดก็เอาถอะขอสรุปสรุปจะกลมเนี่นรวมมันแห่งเดียวนี่ทั้งนั้นราวนานยุกหน่อของหนอ่อลวพิจารณาสมาธิหังพิจนานณาปัญสติ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 ไอ้คนาญริมสัตน้องอย่างกินปลาเท่านั้นน่ะเอาเป็นอารมณ์ไอ้ต้องอย่างกินปลาตองย่างกินปราเท่านั้น่พอนาลงหลังท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดขึ้นมาแต่ลุกโผลขึ้นมาล้ย้อนยับยับยับไปแทบจะดับถ้าก็ุกโพงขึ้นมาท่านเขาพิจาราเป็นอารมณ์ก็ได้สาเร็จและ้ว คอว่าอาไรก็เอาถอะทันท้าหากว่าจิตรวมได้แล้วจะใช้ได้เท่านั้นก่อนที่ทจะรวมต้องคิรนาเข้าในเียบออกไปนอกผู้พิจารณานั้นอันหนึง่งไม่ใช่เอาหูโถไม่ใช่เอาสมาธหางไม่ใช่เอาอยุ่งหนอป้องหนออันนั้นเป็นเครื่องลอ จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาเขาอีก น, นั่นต่างหามันพูดยากเหมันสนะันสนพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทําอะไรใครจะทํายังไงก็เอาที่มันพ<ง>ูดของของใครของมันออกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอาด้วยวิธีใดทจะจับเ อ, อาคู่คุณนึกคู่คิดคูค่ครู้สึกอนะไรจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายะคะอะไรกันเพราะส่วนตัวตรงนั้น บอกกันไม่ได้แม้ว่าธรรมะในที่เราฝึกหัดปฏิบัตินั้นมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังคอยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดในฟังนี่ก็อีกที่พูดในฟังเดียวนี้นะยังไม่ทันเป็นไม่เข้าใจ ว่าเป็นสมาธิภพวนานแนวๆไปแล้วโอ้ท่านพูดว่างนั้นเป็นอย่างนั้นหอกมันเป็นอย่างนี้เองท่านพูดนั้นเมื่อ น, นั้นเวลานั้นก็คุคมรู้ขึ้นมาเหตุ น, นั้นเป็นเป็นสิ่งที่ควรพากันทางอายุนานของเราก็เรียกว่าแก่ามาพอทุกคนแล้วทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสํารวมจิตใจให้ เป็นสมาธิสังรวมใจให้อยู่คงที่สังรวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสังรวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสังรวมใจได้เรียกว่าเราบังคับใจได้จะเป็นวัตใจได้เอาละท่าน